ส่วนจิตที่ชื่อว่าอเหตุกกะเพราะไม่สัมปโยคะกับเหตุแปลว่าไม่ประกอบกับโลพาเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุโอโลภาอโทสะและอโมหะเหตุเลยจิตทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะที่พ้นจากอาโศภณจิตก็มีอยู่59ดวง59ดวงก็ด้วยอํานาจของกามาวจรจิต24เนี่ยนะเรียกว่ากามาวจรสเสตตุกจิตเนี่ยนะหรือกามาวจรสโสภณจิต มีอยู่24ส่วนมหัคตจิตคือฌานจิตทั้งหลายที่เป็นโลกิยะมี27ส่วนที่เป็นโลกุตระมีอยู่8ดวงเนี่ยนะก็24บวกยบ็วก8ก็เท่ากับ59อีกนัยยะหนึ่งจิตทั้ง91ดวงเพราะแบ่งโลกุตระจิต8เฉพาะดวงหนึ่งหนึ่งออกเป็นหดวงเนี่ยนะคืออย่างเช่นโสดาปฏิมักก็แบ่งออกเป็นห้าคือแบ่ง โดยความต่างกันแห่งการประกอบด้วยองค์ชานคือหมายความว่าปฐมฌานโสดาปฏิมักปฐมฌานขอไปธุติยะฌานโสดาปฏิมักตัติยฌานโสดาปฏิมักจตุทัตฌานโสดาปฏิมักปัจมะฌานโสดาปฏิมักขจิตตังนั่นนะก็อย่างนี้แหละวิธีท่องก็ว่าปฐมฌานโสดาปฏิมักขจิตหนึ่งวิปาขจิตปฐมฌานโสดาปฏิมักขจิตหนึ่งโสดาปฐมฌาน โสดาปฏิผลนธปฐมชาหนึ่งเนี่ยเขาก็จะท่องมาเนี่ยจะไล่ไปเรื่อยๆ <c oughs> ทุติยาชาติติยาชานก็ว่าไปมันก็แบ่งออกเป็นอย่างละห้าดวงอย่างละห้าดวงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมักผลมักสี่ผลสี่เป็นแปดคูณกับชาตเนี่ยนะหนึ่งถึงห้าก็เท่ากับคูณห้าเลยเป็นสี่สิบ ย่อมกล่าวว่าเรียกว่าโสภณะเพราะนํามาซึ่งคุณอันงามจิตเหล่านี้นํามาซึ่งคุณงามเพราะมีการนําคุณอันงามนั้นมาเป็นเหตุและเพราะสัมปโยคะด้วยเหตุที่ไม่มีโทษมีอะโลภาเหตุเป็นต้นนะเห็นไหธรรมะที่เขาสัมปโยคะด้วยนี่งามธรรมะที่เขาสัมปโยคะคือตัวที่งามคืออะไร โสภณะสาธารณะเจตสิกทั้งหลายนี่งามโสภณะสาธารณะเจตสิกทั้งหลายนี่เกิดร่วมกับเกิดร่วมกับจิตทั้งทั้งห้าหรือ91เหล่านี้เพราะฉะนั้นจิตเหล่านี้จึงเรียกว่าโสภณจิตเพราะว่าเป็นจิตที่ไม่มีโทษอะไรเลยเนี่ยนะจิตเหล่านั้นไม่มีโทษตัวของมันเองไม่มีโทษแต่ว่าแต่ว่า ที่เป็นโลกิยาจิตยังเป็นปัจจัยแก่จิตที่มีโทษอีกอยู่ดีเนไนะเช่นว่าถ้าหลังจากที่มหากุศลนำเกิดมาเป็นมนุษย์หลังจากนั้นอะไรเกิดต่ อ, อเเพอเป็นมนุษย์แล้วเนีโลภะถ้ามีกำลังมากก็ผิดศีลตั้งหลายข้อโทสะถ้ามีกำลังมากก็ปานาติบาตเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอออพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วหลังจากนั้นก็บาปอีกบาน บัดนี้ท่านอาจารย์ประสงค์จะแสดงกามาวาจรกุศลก่อนต่อจากนั้นจะแสดงวิบากของกามาวาจรจิตและในลําดับนั้นจึงจะแสดงกิริยาจิตที่นับเนื่องในภูมิอันเดียวกันกันกบวิบากจิตโดยอย่างละแปดด้วยความต่างกันแห่งเวทนาญาณและสังขารแต่ละอย่างในพระบรรดาโสดภณจิตท่านยกกามาวาจรจิตขึ้นแสดงก่อนนะ เพราะแม้ในบรรดากามาวจรจิตเหล่านั้นกุโซรจิตเป็นเบื้องต้นของอัพยากตะจิตท่านจึงกล่าวคําเมียที่ว่าโสมนะสาสะกตะตังดังนี้นะก็ให้เหตุผลว่าทําไมจึงเรียงจิตแบบนี้ขึ้นมานะเรียงเป็นกามาวจรจิตก่อนแล้วก็ต่อด้วยรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตและโลกุตระจิตมีวิธีเรียงเรื่องก็เรียงมาอย่างนี้ ดีกาเนี่เป็นเป็นผู้ที่เชื่อมเรื่องให้เราเห็นว่าพระอนุทธาจารย์เนี่ยท่านเดินเรื่องแต่งคำพีเนี่ยเดินเรื่องไปยังไงเนี่ยนะท่านจะเป็นคนให้เหตุผลอธิบายตามลําดับมาทั้งหมดเลย <c oughs> เพราะโดยปกติแล้วคนที่อ่านดีกานเนี่ยนะเขาจะจำเขาจะทรงอภิธรร ม, มัตสังหะเขาจาได้หมดอยู่แล้วเพราะเวลาอ่านคําอธิบายเขาจะเข้าใจง่ายมาก ไม่ก่อนอภิธรรมมัทสังหะเขาก็จำกันนะเป็นปกติอยู่แล้วเขาเรียกว่าสวดสังอาหะเราคงเคยได้ยินกันนะสวดสังกะหะนี่คนไทยเนี่ยสวดสังกะหะกันมากเมื่อก่อนนะันก็เขาก็ทรงจำคำพีเหล่านี้อยู่แล้ ว, วเขาบอกว่าแรกๆเลยถ้าจำไม่ผิดนะอยุทยานี้เอาไว้สวดงานแต่งอภิธรรมนะไว้สวดงานแต่งแต่ว่างานแต่งสงสัยไม่ค่อย เรียว่ารักษาอยู่ได้ไม่นานเท่ากับงานศพนั้นไว้งานศพดีกว่าอยู่ได้นานกว่าคือตัวธรรมะจริงๆแล้วเป็นมงคลเป็นธรรมะอย่างดีใช่ไหมทีนี้โบราณท่านคิดว่าอจะเอาไปวางไว้ในงานไหนจะได้อยู่นานๆหน่อยไว้ในงานศพตอนนี้ก็ชักงานศพก็ชักไม่ค่อยเอาแล้วงานศพนี้ยังเอาไว้นะแต่ตัวธรรมะชักไม่ค่อยเอาแล้ววหมือนกันเถอะก็ค่อยๆหมดไปอย่างนี้โดยประการชนี้แลเอวังนะก็จะจบเหมืนกนะันธรรมะก็จบเหมือนกัน ตั้งขึ้นด้วยกามาวจร24ี่เนี่ยนะมหกคตะ27แล้วก็โลกุตระอีกกามาวจรนี้ก็มาแบ่งเป็น3มกลุ่มคือที่เป็นกุศลวิบากกิริยา27นี้ก็แบ่งเป็นอย่างละสองก่อนคือรูปาวจรกับ อรูปราวจรโลกุตระก็แบ่งออกเป็นสองคือที่เป็นมร ก, กับเป็นผลถ้าแบ่งมาเป็นอย่างงี้ท่านก็ให้จำนวนตัวเลขมาเลยว่ากุศล8ปพิบาก8กิริยา8รูปราวจร15รูปราวจร12มรก4ผล4ทีนี้มรกนี้สามารถขยายว่า1มรกเนี่ยคูณด้วย5ด้วยนะมรก4คูณด้วยชาน5ก็เท่ากับ20 ผล4คูณกับชาน5เท่ากับ20เพราะฉะนั้นจึงรวมโลกุตระจิต40เนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเหตุผลก็อธิบายกามาวจรก่อนแล้วค่อยต่อด้วยมหากตะหลังจากนั้นค่อยอธิบายอารูปาวจรเอ้อขอไปโลกุตระทีนี้กามาวจรก็อธิบายธรรมะที่เป็นกุศลคือธรรมะที่เป็นเหตุก่อนเนี่ยนะก็เดินเรื่องมาอย่างนี้ ทีนี้ที่เป็น8เนี่ยเป็น8ได้ยังไงก็คงอย่างที่กล่าวไปใช่ไหมเป็น8ห น, นึ่งโดยเวทนาเนี่ยนะแบ่งเป็น2ก่อนแล้วต่อด้วยยานหรือสัมปโยคะเนี่ยนะแล้วสังขารที่เป็นบุญก็เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปกับทานศีลภาวนาแล้วก็เกิดได้ในอารมณ์ทั้ง6เนี่ยนะรู้อารมณ์ทั้ง6 ก็ค่อยๆขยายตัวแบ่งไปตามนี้ไป <_ d ick> ทีนี้วิเคราะห์ศั์ตามสั์เลยนะโสมมนัสสาสาคาตังเป็นต้นเลยนะทีนี้ก็เน้นสั์ไหนที่ไหนสั์ไหนที่ขยายไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องขยายอีกเช่นโสมมนัสก็พูดไปแล้ว โสมนัตนี่พูดไปแล้วว่าไงเนีโส บ, บวกมณนะติโสแปล ว, ว่าดีมณัตแปลว่าใจใจดีขนาดนั้นคนโสมนัตมากเรีกว่คนใจดีถ้าโทมณัตนะใจร้ายใจไม่ดีเนี่ยนะใจใจไม่ดีว่างั้นเถิดใจร้ายมากทีนี้ก็มาวิเคราะห์ศัพท์ที่ไม่เคยวิเคราะห์เลยคือยานนะคือปัญญานี่แหละธรรมชาติใด ย, ย่อมรู้คือย่อมทอแทงตลอดธรรมะ ตามสมควรแก่ภาวะของตนเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อวิญญาณคือรู้ธรรมะตามสมควรของเขาอ่ะนะเพราะตัวยานเองนี่ก็โหกว้างขวางมากใช่ไหมถ้าเรียกย่อๆหน่อยก็อะไรเรียกย่อๆนะกรรมสกตายานวิปัสนาญาณเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าสัจจานุโลมรกายานมขยานผลญาณน่ยนะตัวยานนี้ก็ก็ตามความสา ม, มารถแต่ถ้าขยายเพิ่มไปกว่านั้นอีกก็ เอาหัวข้อธรรมดาหน่อยก็ยานเจ็ดสบสาตามปฏิสัมพิธามมัคนนแต่ถ้าขยายเพิ่อมอีกสุตตามมายาญาณนี้ก็เป็นหมนนนื่นหะมื่นในเห็นไหมจะพรสสุตะอย่างเดียวนะแ ล, วแล้วถ้าเอาสัพพัญยุตยานมาจับด้วยก็ไม่มีจบมีสิ้นเหมนกันเถอดเพราะฉะนั้นคำว่ายานก็ว่าความรู้ธรรมะตามสมควรแก่ตนรู้แหละแต่ว่าขีดความสามารถเนี่ยรู้ไม่เท่ากันเหมือนอะไรเหมือนกับแสงสว่างนะแสงสว่างในโลกนี้สว่างเท่ากันหมดไหม แสงหิ่งห้อยก็ไม่ใช่ว่ามืดนะสว่างแต่ว่ามันสว่างน้อยอ น, นะแสงอย่างอื่นอีกเช่นแสงแตะเกียงแสงเทียนนี่ก็สว่างแต่สว่างมากกว่ากว่านั้นไปแสงสปอตไลท์เนี่ยนะสว่างก็สว่างมากกว่านั้นอีกถ้าดวงเดือน่ะสว่างกว่านั้นอีกแล้วดวงอาทิตย์นี่สว่างกว่านั้นอีกก็ถามว่าถ้าพูดในแง่งของดาราศาสตร์แล้วก็บอกมีดาวที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์ เขาเ <c oughs> ขาเขาควบคุมนวลตามไอ้แสงรังสี ท, ที่ที่ที่ออกมาเนี่ยนะบอกดวงอาทิตย์นี่ไม่ใหญ่เป็นดาวที่ไม่ใหญ่นักมีดาวที่ใหญ่และความร้อนกว่าดวงอาทิตย์อีกอนะก็อ่านตามไอ้หนังสือดาราศาสตร์ที่หมอเขาให้มาเนี่ยนะก็บอกดวงอาทิตย์นี่นับว่าเล็กมากถ้ามองสุริยะจักรวาลของเราที่มีอยู่เนี่ยถ้ามองในระดับกาแล็กซี่นี่ก็นับว่าแหมผงนิดเดียวเองถ้ามองโลกเนี่ยนะ ประเทศไทยนี่ก็เหมือนนิดเดียวนะเท่านิ้วก้อยระดับโลกไง น, นะถ้าประเทศไทยนี่มองเชียงใหม่เอ ก, กเล็ ก, ก, ลก น, นิดเดียวเองนะถ้าเชียงใหม่มองที่เรานั่งนี่สงสัยนิดเดียวเองนะโอ้โหเล็กมากเลยนะแต่หมอก็ใช้ศัพท์แต่มาณะ น, นี่มันใหญ่เพรางั้นมันใหญ่มากเพางั้นมันทับพวกนี้ได้หมดอนะเพราะงั้นบอกเออจริงอย่างหมอว่า น, นะนั่นแหละเนนะอ่ากาเข้าใจคิดเดีนะ อแ๋แต่แต่มันเล็กขนาดนั้นนัมันก็ยังเพียงพอที่มานะมันจะใหญ่ได้ก็รนั้น <c oughs> ทีนี้มาดูคําอธิบายเหตุที่ทําให้เกิดโสมนัทว่าทําไมกุศลจิตจึงเป็นโสมนัทขึ้นเนี่ยนะว่าบัณฑิตเพิ่งทราบความที่จิตประกอบด้วยโสมนัทด้วยเหตุหลายประการเป็นต้นว่าความที่จิตประกอบด้วยโสมนัทคือพลระัวะสัทธา กุศลที่กุศลไหนที่ทําแล้วสัตว์ตัวเองศรัทธามากกุศลนั้นจะโสมนัสนะสังเกตดูมีศรัทธาจะทําสิ่งใดนะสิ่งนั้นอนะ่ะเข้าโสมนัสมากบางคนนี่มีศรัทธาที่จะให้ทานพูดถึงการให้เมื่อไหร่เข้าโสมนัสบางคนเนี่ยโสมนัสเพราะการรักษาศีลเนี่ยนะบางคนโสมนัสเพราะการไหว้พระเจดีย์เนี่ยโสมนัสของแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันนะเขามีสิ่งเขามีศรัทธากับวัตถุใด วัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสของเขาเป็นอย่างมากอันนี้เห็นให้โสมนัสข้อหนึ่งนะข้อ2ทัศนสมบัติคือเขามีปัญญาทัศน์เนี่ยคือรู้เหตุรู้ผลของกุศลเหล่านั้นเป็นอย่างดีก็โสมนัสเนี่ยนะเหตุที่สามก็เพราะถึงพร้อมด้วยปัจจัยคือทายธรรมสมมติถ้าให้ทานแล้วโสมนัสแสดงว่าทานที่ให้เนี่ยนะวัตถุที่ให้เนี่ยพอใจมากนะเป็นของที่คนนั้นเขาพอใจอะ่ะ ไม่ใช่ของที่อยากจะทิ้งอยู่แล้วไม่ใช่คือว่าของอ น, นั้นคนที่จะให้เขาก็พอใจอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งปฏิฆาหคนที่รับเป็นบุคคลที่เขาเริ่มสายมากเนี่ยนะเช่นบุคคลที่ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้านี่เขาจะโสมนัสเป็นอย่างมากถ้าได้ของที่เขาพอใจและททำบุญกับพระพุทธเจ้าเขาจะโสมนัสอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดโสมนัสเนี่ยนะทีนีน้จิตนั้นเพิ่งทราบความที่สัมปยุทธ ด, ด้วยยาน เพราะว่าโดยกรรมอันยังปัญญาให้เป็นไปพร้อมอันนี้ก็แปลว่าคนนั้นเนี่ยที่ทำบุญประกอบด้วยปัญญาเพราะชาวนะอขออภยัยเพราะปฏิสนธิของเขาเนี่ยที่เป็นภวังของเขาเนี่ยติเหตุกะเป็นคนฉลาดอยู่แล้วว่างั้นเถอะนะฉลาดตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยว่างั้นติเหตุกะตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นเป็นคนธาตฉลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทําอะไรก็มักเน้นที่ปัญญาเนี่ยนะ อย่างที่สองบังเกิดในโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนเห็นไหมข้อสองนะโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนเห็ น, น, นไหมอันนี้ปัญญาแล้วเหตุให้เกิดปัญญาไปแล้ว อ, อคําว่าสมนัตนีม่มีสามีหรือสี่กับปฏิคาหกไปได้เป็นต้นนะนะก็ยกพอเป็นตัวอย่างเฉยๆจบแล้วเห็นลูกน้ำเอ็นโลกน้ำเลยแมงอองแง่ง นึกถึงอาจารย์นะคดูแมงงอแงงเอาไวนะสรนหาคํามาเรียกให้มันจนําง่ายๆหน่อยแต่ถ้าเหตุที่ประกอบด้วยปัญญานะคือหนึ่งพูดสรุปสัมนวนเราง่ายๆว่าเขาปฏิสนธิด้วยกรรมที่เกิดจากปัญญาเหมนข้อ2โลกที่ไม่มีความเบียดเบียนคือคนนี่จะคิดอะไรได้ลึกซึ้งคืออยู่ในที่ที่ไม่มีการเบียดเบียนใช่ไหม ถ้ากำลังชุลมุนวุ่นวายเนี่ยนะหรือประเทศชาติกำลังปั่นป่วนเนี่ยยากฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นในที่ไหนที่สงบร่มเย็นเนี่ยนะที่นั่นเขาจะครุ่ น, ค ร, นครุ่นคิดสิ่งที่เป็นปัญญานี่เกิดมากเพราะฉะั้นอย่างเราสังเกตดูในโลกนี้นะวัดวิจิตกรรมทั้งหลายแหลหรืออะไรที่ปิจิตบัรจงอ่ะนะ ที่เกิดในประเทศโดยมากจะเป็นประเทศที่วัฒนธรรมสืบเนื่องมายาวนานบางช่วงบ้านเมืองสงบรม่มเย็นจึงจะมีไ อ, อ, อจิตกรรมเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นนะณนะสถานที่นั้นๆนะถ้าที่ไหนสงครามมาตลอดแข่นข่ากันตลอดเนี่ยนะเหลือแต่ซากมนะั้งสร้างอะไรได้หน่อยอพวกก็มาเผาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็สามก็อินซีแก่กล้าตัวนี้แปลว่าว่าตามคนนั้นเนี่ยถ้าจักคุ้นสีแก่ขึ้นเนี่ยนะ มันก็ฉลาดขึ้นกว่าเดิมอ่ะฉลาดที่จะดูขึ้นอ่ะนะถ้าโสตินซีอายุมากขึ้นก็ฉลาดที่จะฟังมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นสรุปว่ากายินซอินทรีย์ตัวนี้นะคือร่างกายอ่ะนะคือถ้าอายุมากก็ฉลาดขึ้นกว่าเดิมอ่ะนะแล้วก็ข้อสีก็ห่างไกลาจากกิเลสนี้แปลว่าคนนั้นนิวรณ์ไม่กลุ้มรุมนนคนที่นิวรณ์ไม่กลุ้มรุมนี้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดมากก็ท่องพระไตรปิฎกถ้านิวรณ์กลุ้มรุมแล้วนีคุณบุญชู จำสักสูตรได้ไหมสูตรที่จําได้ก็ลืมหมดใช่ไหมลืมหมดไอ้ที่จําไม่ได้ก็ไม่ได้ไอ้ใจที่จะไปจําอีกก็ไม่มีกระจิตกระใจนะท่านิวรณ์มันกลุ่มรุมแล้วมันเสียหายหมดละเพราะนั้นมันเบียดเบียนตนด้วยประการชนนีแ้แหลมันก็บอกว่าถ้าไม่มีนิวร์เป็นต้นกลุ่มรุ ม, รมก็เนี่ยปัญญาก็เกิดง่ายนะคิดอะไรก็ทะลุโปร่งหมดเพิ่งทราบความที่จิตประกอบด้วยอุเบกขาและความที่จิตไม่ประกอบด้วยยานโดยปริยายตรงกันข้าม ถ้าตรงกันข้ามกับที่กล่าวไปแล้วนะเพื่อทราบความที่เป็นอาสังคาริกโดยความที่กายและจิตสามารถด้วยอํานาจสปายะเมียวาสปายะเป็นต้นและโดยบุพพจริยาเป็นต้นอาวาสปายะนี่นะคือเช่นสมถาวิปัสนาที่เขาเจริญอย่างกล้าแข็งเพราะได้สปายะนี่นะอาวาสปายะบุคคลสปายะเสนาสนะสปายะอาหารสปายะอุตโภชนะสปายะพวกนี้ก็เป็นเหตุให้ กุศลที่เป็นอาสังคาริกยาณสัมปยุทธ์เนี่ยเกิดขึ้นส่วน อ, ส น, น, นอาสังขาริกเนี่ยกรรมที่นําเกิดเป็นอาสังคาริกเนี่ยคนนั้นโดยอัธยาศัยจะเป็นคนอาสังขาริกก็ว่ากันเกิดมาเป็นผู้นําเลยนะมันมันมันอาสังขาริกแต่ว่านําไปไหนอีกเรื่องหนึ่งนะอาจจะนําประท่วงนาอะไรก็ได้แล้วแต่จะนําไปแต่ตรงนี้เราเรียนมาหากุศลอยู่ก็นําทําบุญ น, นะนะและเพื่อทราบความที่จิตเป็นสังคาริกโดยปริยายตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้ว ท่านก็ในยะตรงกันข้ามนี้ก็คือท่านเอาธรรมะมาขยายแบบสิ่งที่ตรงกันข้ามบรรดากุศลจิต8เหล่านั้นก็ในการใดบุคคลอาศัยสมบัติมีทัยธรรมและปฏิฆาหเป็นต้นหรือว่ามีเหตุแห่งโสมนัตอย่างอื่นคือร่าเริงหันศารนี่นะทำซส ม, มาที่ติเป็นไปโดยในเป็นต้นว่าผลแห่งทานที่ให้แล้วมีอยู่ดังนี้ให้ออกหน้าไม่ย่อท้อผู้อื่นไม่ได้ช่วยกระตุ้น ย่อมทำบุญทั้งหลายมีการให้ทานเป็นต้นในการนั้นจิตของเขานั้นสห้ารครดด้วยโสมนัสประกอบด้วยยานเป็นอสังขาริก น, นนะก็คือตรงนี้มาแยกให้เห็นจิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างเท่านั้นเองว่าดวงที่หนึ่งต่างจากดวงที่สองยังไงดวงที่สต่างจากดวงที่3ยังไงดวงที่สามต่างจากดวงที่สี่ยังไงเนี่ย น, นะก็ต่าง ก, ากันก็อย่างที่กล่าวไปยกตัวอย่างว่าให้ทานแบบเขากล้าให้เลยนะ มีปัญญาประกอบรู้ผลแล้วก็ให้ไปเลยโดยไม่ต้องมีใครมาชักชวนคนที่สองก็รู้เหมือนกันแต่ว่าคนอื่นชักชวนจึงทําส่วนคนที่สมก็ยกตัวอย่างเด็กๆมาเนี่ยนะเด็กๆ เ, เนี่ยอพอเห็นภิกษุหรือเคยเห็นพระที่เขาเคยทําบุญเนี่ยเห็นก็ยกมือว่าเห็นแล้วก็ใส่บาตรเองเลยอะไรเองได้เลยโดยที่ไม่รู้เหตุรู้ผลแต่ว่ามีศรัทธาหรือว่าอย่างที่สีก็ญาติเนี่ยชักนําชักชวนเด็กให้ว่ายเด็กบางคนก็มีความสุขกับการทําบุญเนี เด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่ไม่ค่อยมีศรัทธาแต่ลูกมีศรัทธาพ่อแม่ก็เลยมีศรัทธาตามก็มีเห็นไหมเท่าที่สังเกตเพราะว่าถึงเวลาลูกมันจะชวนเพราะถ้ามาบินธบาะแล้วมีอะไรทําบุญบ้างอะไรเด็กมันจะชวนพ่อแม่เองก็มีเห็นไหมแต่หลายคนเนี่ยพ่อแม่อุ้ยขอร้องก่อนแล้วขู่ก่อแล้วใช้บาปที่มันก็ไม่เอาเห็นไหมเด็กมันก็มีหลายประเภทอีกเหมือนกันบางคนเนี่ยให้ยกมือไหว้มันทไม่ได้เลยนะไม่รู้มือมันหนักทําอะไรก็ไม่รู้ยกไม่ยกให้ยกไหว้ที่ไม่ไหว้จริงๆเลย อีกคนบางคนเนี่ยยังไม่ทันบอกเลยมันรีบยกไหว้ตั้งั้งแต่เพราะมันเคยบอกไว้ครั้งเดียวนะวันหลังมันไ่ว้มันเองเห็นก็เด็กก็ไม่เหมือนกัน <c oughs> ส่วนในยอที่เหลือก็เอาไว้เป็นเสาหน้าบ้างเนาะนี่ก็พูดถึงมหากุศลเพียงสังเขปเท่านี้ก็